ความเปนความเมื 9, ่อวานเกาควาบูชาประรัตนาไผยพบกันอิมนาอิมินาสัาระเนะตังตัวะตังกระสิบูชยามาอิมินาสักระเนะ ตังสัมมาอะติามาอิมินาสก arella ตั้งสังคังอภูษยามะอะระหังสัมมาสัมุโตภะคะวพุทังภะคะวตังอะติวีวะตภะคะวตัง สมก็ได้นัยฟ้าได้นัยก็ไม่ได้กัน นักโมตัสสวโตอรหโตสมมาสมุทธะนโมตัสสตวัตโตอรหัโตสมมาสมปุทธะสุธินังวัตาสุวัตเมทานังวัตเมธานังธานังเมชานังมีริสุทธังบริสุทังอัสาวะ กายาว่ังโอูตูพวกข้าพระเจ้ายินทีให้ทานของทานจากพวกข้าพระเจ้าได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ขอพระคุณเจ้ า, าจาขขงรับ ของทานของทานจากพวกข้าพระเจ้าจากพวกข้าพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายญาข้าพรเจ้าทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วที่ล่วงรับไปแล้วมีบิดามารดาผู้จ่าตาใจ สามีภรรยาลูกเต้าหลานเลี้ยเจ้ากำนายเวนจงรับทราบบุญกุศลจากพวกข้าพระเจ้าที่บุญที่ให้แล้วนั้นแล้วจงไปสู่สุคติ สมดังความปรารถนาตลอดทั้งครอบคระเจ้าก็จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคไัยการงานการเงินถึงได้จงสำเร็จจงสำเร็จ ดังความพัฒนาถึ ง, ง ท, ทุปปกทปาาีกันเถอะถ้าตัวทิฏฐานแล้วที่นี่ก็ทำบุญนั่นทำทานที่นี่ทำบุญยกมือขึ้นใส่ศีรษะแล้วก็วางมือใต้ว า, างบนตักดิ์มือขวาทับมือซ้ายนับตาเบาๆ ดูลมหายใจเข้าออกเอาสติมาดูที่ลมอยไปดูที่อื่นตั้งสติดีๆ ด, ดูลมเข้าลึกๆดูลมออ ก, กลึกๆดูลมเอาแกวจรเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก ศีรษะเราต้อฟังพูดสู่ฟังเอาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สุดผนอกลมมาตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเห็นไปดูไปรู้ไปเห็นแล้วก็มาบอกตนบอกตนญาติโยมหลานให้รับทราบว่าพระพุทธเจ้าในศัตรูพระพุทธเจ้าสอนอะไร พุทเจ้าได้ตัดสรู้แล้วสอนฆราวาสญาติโยมทานศีลบุญสอนนายพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของฆราวาสญาติโยมทานศีลบุญทานศีลภาวนาคำว่าภาวนาคือเราทำเมื่อกี้นี่คือดูใจดูสวรรค์ถ้าเห็นสวรรค์ก็รู้นรก ส่วนมากคนเราไม่รู้เพราะไม่มีใครสอนพระก็ไม่เอาคําสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้ามาสอนญาติโยมสอนตุลาโยมกุศิตาคานิยมทํ า, ท, ท, า, ท, ท, า ท, ทานกันโดยเฉพาะเข้ากรุงเทพนี่แหละไปดูวันวันปีใหม่แต่นิมนต์พระสงฆ์ไปยุ่งตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะผลริ่งผลของให้เต็มเปินเพิดพึกอะไรก็อะไรก็ไม่รู้เนาะพระนําบากเพราะทำบุญนันเพราะ พวกม่เข้าใจคําว่าทําบุญใจบ้านนิดๆ น, นอนๆก็ใส่ยูแต่ก็อยากเตือนพอดีเดี๋ยนี่ญาตยงคนเดียวใส่อาหารอย่างไม่ช้าเ่กว่าสักพักร้อยลูกก็ฉันไม่หมดแต่ค่านิยมของคนเราไม่พอไม่พอแต่กลัวไม่พอไม่พอมันพอดีพระเจ้าประสงฆ์ยินดีมีกล้วยลูกเดียวก็พอแล้ว วันตื่นไปกำแพงเพชรมีโยมคนหนึ่งว่าไอ้ฉันขึ้นแปดปรจําฉันทานอะไรข้าวกับป้วยอย่างเกลียวหลวงปู่เป็นยังไงไม่ถูกต้องไหมได้ไหมกโอ้โอโก็ดีแล้วมาฝึกทานอย่างโน้นมาฝึกทานอย่างนี้มันเรื่องของกิเลสใหม่เฉ้ๆหรอกอันดับแรกที่สูดก็ทานนมกับแม่ มาอีกนิดหน่อยก็แม่ก็มาเคี่ยวข้าวปากเคี่ยวข้าวยำเขาผ้าสายขาหน่อยยำเขาก้อนลูกนะยำเขาแล้วก็มกตะก้อนจังมาก้อนต้อยเขาที่ละเล็กที่ละน่อยเน่ยมาฝึกหาดในไปมาก็เคี่ยวกล้วยใส่ด้วยไปไปมาๆก็เคี่ยวปลาใส่ด้วยเขาบอกปลาปลาปลาปล า, ป า, ปาไปมาเห็นแม่ทุกวันนีเขาทานอาหารไม่เด้ก็ มีแต่กลับอย่างเดียวเนื้อหนังมังสังอะไรก็ไม่รู้มาเคี้ยวเคี้ยวคืนคื น, คนไม่รู้เขาทําำด้วยอะไรนะไปมาก็ระบบสมองก็ไม่ดีระบบธาตุขันก็ไม่ดีแหละมีแต่เนื้อหนังมังสังของเขาน้านําคุยน้ำข้าวเข า, าทอบ <c oughs> แพ้เขาเรีว่าเพลกใหมนะ่ให้เข้าใจนะภาคปฏิบัติอย่ารู้พวกนี้รู้จากพวก ร, รุ่นรุ่นวัยวัยว่าโรคนี้รุ่นลายหมอ คนชอบยุ่งก็เข้ามาดูสมาธิซะก่อนทําสมาธิเพียงแต่รู้ถ้าไม่ทําสมาธิไม่รู้เพราะจิตของคนมันชอบยุ่งชอบมโนรักพาดูไม่ดีพาทําบุญพาดูสวรรค์ไม่ได้ซื้อก็บอกจะเมื่อว้านก็บอกแล้วการทําบุญไม่ได้ซื้อไม่ได้เสียอะไรไม่ยุ่งยากอะไรเองไหมยุ่นดูที่ลมถ้ามีลม เ, เห็นบุญเห็นบุญเห็นใจ เราไม่ค่อยดูใจในตัวของเรามีกายก็มีใจเข้าใจไหมสังขารนั่งกายไม่เที่ยงปูยญาติตายของเราไปไหนแล้วใครจะแก่ตายเรานะนัะ่นฝืนความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นได้สังขารนั่งกายไม่เที่ยงเกินแล้วแก่เจ็บตายมันไม่ใช่ของเราสังขารนั่งกายยืมโลกมาใช้อะไรบ้างมีดินของแขนมีน้าในตัวเรา มีลมพัดไปพัดมาในธาตุแสงขานถ้าไม่เทียบเท่ากับอาหารดอกสู้ลมไม่ได้แพงนะถ้าไม่มีลมใจก็ห น, นี้แล้วธาตุไฟก็กลมอกูนพาตใจนี้แล้วลมก็ไม่มีกลมอกูนก็ไม่มีดินก็เริ่มสลายบูดเน่เาเขาทิ้งแล้วผมทิ้งแล้วอตัวเราอยู่ที่ไหนจะไม่ตัวกู้ตัวกูตัวกู้ ไม่มีตัวเราเราตัวเ่าคือใจนั่นแหละนะ่นเป็ น, นเตือนเมื่อกว่าว่าอะไรขอพระสลงกิจตังธรรมธาตุใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นคนอยากพบคําสอนของพระพุทธเจ้าอยากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าะที่เรามาเจอกันทําไมแต่ว่าเราไม่มีบุญดี่นี่เรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญเราก็อก้าบบ้านเก่าด้วยบุญถ้ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาทบุญไหมที่นีรู้บาปหรือา คนในโลก น, ใ น, ใ น, น, น้อยนะเห็นไหมล่ะน้อยเห็นไมล่ะเราไปทำบุญตามวัดต่างๆพระสงฆ์มีเทนี้บอกทำบุญวัดไหนใดบ้างมีกี่วัดบอกทำบุญมีกี่รูปบอกทำบุญส่วนมากโยมมอะไรถบายสังฆทานเจ้าค่าจุดธูปจุดเทียนสบายสังฆทานตรวน้ําโยมอะไหนเราทำบุญสิเมื่อเวลาไม่บอกโยมก็ไม่รู้ลุงป้าเลยหลง ผคนแต่ของใครไปเห็นสรกกบขนของมาถวายพระให้พระยุบก็บ้าทําบุญรู้ปู่เลยบอกว่ามาทําบาตรถ้ามาทาบุญต้องมาตัวเปล่ า, าได้กราบได้ไหวนั่นเดี่ยมึอต้องเอาดอกไม้ทุกเทียนมุชาให้เสงเสียถูกตั้งใจควงอะไรควงหนึ่งกี่บาทก็ไม่รู้ถ้าหมื่นข้างแต่จีบาทถึงพิจิตรดอกไม้กํานึ่งเท่าไหร่ทุกวันถ้าหมื่นข้างเท่าไหร่พิจิตเอามาเผาเทิ้งเอามาท่วมบ้าน มาตันท่อน้นามได้ควงดีคนหนึ่งเท่าไหร่วงดีที่ควงแล้วเขาเพาะควรเป็นใหญ่เป็นโตหน่อยควงดีหาที่ห้อยไม่ได้แล้ที่แขนไม่ได้เสร็จงานแล้วก็ทิ้งตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าไปเผาก็เป็นพิษจีนไทยอีกมิแต่ถ้าติดหายใจเข้าออกไม่ได้ดำเต็มบ้านเต็มเงมืองไปว่างไรฝนตกมาซัดลงไปตันท่อน้าแต่ว่าอย่งไงล่ะ น้ำท่วมกรุงเทพเพราะ อ, าอะไรกะได้ได้หาหรือเปล่าหาเหตุหรือเปล่าเราไม่หาเหตุหรอว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะน้าท่วมเพราะอะไรก็ของไปตามท่อตันตะคองเอาต้นไม้ใหญ่ๆลงไปตามตะคองแล้วน้ําไหลไม่ได้เมื่อกดท่วมสิใครจะไปเรื่อกแรกต้นไม้ใหญ่ๆมันค้นลงไปตันตะคองตันท่อน้ำตันอะไร ม่คิดตัวครอบคไปไปตันไม่ปตันท่าน้าไม่หมดคนมันก่ท่วมล้วตนเองทำํทำทาให้ท่วมตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นจึิงดีวกว่าไปให้ภาคปฏิบัติมันไม่ได้ซื้ออาหารใจเวลาเราเสียชีวิตเจ้ากรรมนายเวรไปดักไปทาแยกทางไปสวรรค์กับทางไปนรกเจ้ากรรมนายเวรเขาเรียกว่าอะไรพญายมพบานะมันจะไปถามว่าอะไรตั้งอกตั้งใจว่า จะไปทำบุญกุศลทำคุณงามความดีนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำไหมได้เห็นสวรรค์ไหมรู้จากทางไปสวรรค์ไหมถ้าไม่เห็นไม่เคยรู้เขาอะไรไม่มีคำตอบเขาเออกมาจากที่ไหนมาจากเมืองนรกแม่นั่งกลับไปเมืองนรกเหมือนเดิมเสียงไม่ได้นะนายเจ้ากรรนายเวรเขาขี้ขาดบอกว่าต้องไปทางนั่นต้องไปทางนั้นไปเลยแตกเรื่องของจิตใจ กรรมมกนะวัตถิโกโก้ถ้าก็ขึ้นไปเจ้ากรรมในเวรนั้นบังคับเรานะได้เอียดนะถ้าหากเราไม่เข้าสมาี่ดูไม่รู้เราว่าใจของเราเกิดมาเพื่ออะไรนะไม่แต่จยากมั่งมีสิสุขร่ำรวยสวยงามมั่งมีสิสุขร่ำรวยสวยงามหาการมั่งั่งคือยงรุ่งมาถงเทะแต่ของสังขารร่างกายเป็นของปฏิกูณไช่ไหมสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดได้กินอยู่บ้างมั้ง เราก็ไม่ ไ, ได้ชั่วไม่ได้สวดไมได่ท่องเหมือนพระจะมาเยอะด้วยหาว่ายุ่งนู่นยุ่งนี่ก็ว่าไปควจริงไม่มันไม่ยุ่งหรอกถ้าเราจะบปฏิบัติจริงๆหาเวลาเอาไว้วันเวลาเอาไว้สักวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งกี่นาทีหนึ่งนาทีสาหรับอาหารใจไม่ได้หรือเลี้ยงใจแต่งใจรักษาใจไม่ได้หรือสวดมนต์ใช่ น, นี่ไม่ตายหรอกมีนาฏ ก, กาเลยนะตังพุตังตอมังมสังคังอภิปุญยาเมฆ นะั่งสมาสวาข้าตัวสุติปะโนนโมสามครั้งแค่นั้นคนนั่งดูออลงเข้าออกลมเข้าสบอกวันหนึ่งหนึ่งนาทีไม่ได้หรื อ, อทุกที่สุดคือหาที่เกิดเราไม่เกิดไม่ทำจุดนี้แล้วเราทุกที่สุดนะมันเกิดมาก็ไม่ด ไ, มได้เราเพิ่งรู้ทั้งขาร่างกายบริบูรณ์ดีไม่ดีก็เสียองค์คะไปสะบอดบ้างหุ่นหักฟ้างแขนงข้าขาอะไรเสียเยื่อขาหรือนอนติดเตียงเกิดมาตั้งแต่ที่ไหนที่ไหน รักษาติดกันหลังติดกันศีรติดกันอะไรเต็โเมโรคเต็มสงสารใครอยากเป็นขอทานเต็โเมโรคเต็มสงสารนั่นแยกใครไม่ได้เข้าใจไม่ทุกขี่สุขคือหาที่เกิดเกิดไม่ได้เราต้องคุณธรรมติดโฉมมนุษย์สัตว์หรือโพต้องมีคุณธรรมของพระเจ้าจึงได้สามารถที่จะเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้นะถ้ามันเข้าถึงใจไม่รู้เราก็เราเกิดมาหรอมาเพราะอะไร ไมป่ปฏิเสธไม่มีบุญไม่มีบุญไม่มีบุญเราจะเลยมาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไงเดียเรามาพบของเลยของประเสริฐแล้วย้งอย่างเดียวเราจะท้าประทานให้อาหารหรือปล่าอาหารใจถ้าเทียบแ ล, แล้วเราเสียพรบะพบุทธเจ้าพระเจ้าหาหกปีจึงได้กัจจารูหามาเพื่ออะไรเพื่อสอนคนใช่ไหมไม่ใช่สอนคนตายนะสอนคนเป็นสอนคนมีชีวิตนั่น ถ้าเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขามารเราเป็นคนหรือเปล่าต้องถามสิ่งในใจเราถ้าเป็นคนทำไม่ทําไม่ได้สิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทเจ้าไม่ได้สอนฟังไหทําไมเรียนจําที่ไหนที่ไหนเต็มไปหมดพระทธเจ้าไม่ได้สอนทํำไมจะทำมันน่าสลดไหมไปเท่าไหร่กับไปเท่าไหร่ก็ไปสู้นรกนั่นแหะมาด้วยบุญดูได้บาปขาดทุนเนี่ยเรามาด้วยบุญ เราต้องอยู่ด้วยบุญทำบุญไม่ใช่ทำทานของผลของไปตวายพระทำไม่ใช่ทำบุญนะทำทานมีอะไรบ้างของทานข้าวหน้าโภชนะอาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่อาศัยเป็นปุติเสนาสนะไปสร้สงางขโยนิโชเสนาสนาังไปสร้างสายโยนิโชกีรนาปเตยะเปสร้สงางข้าโยนิโชบินดาปตางาาบาบังหานนี่ต่อสร้างข้าโยนิโชกิวรันปิฏฐะเทราตนะจักยาักษาโลกสําหรับ ร่างกายจะเลี้ยงเท่าไหรก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายให้อาหารเท่าไร่เข้าหาหมอเท่าไหรก็เท่าก็แก่ก็เจ็บ ก, ก็ตายไม่มีโรงพยาบาลใดที่ไหนจะรักษาคนให้หายจากโรคได้มีโรงเดียวคือของพระพุทธเจ้าทำตามคำสั่งของพระเจ้าไม่มาเกิดแก่เกิดตายมาจากไหนหรือไม่เชื่อจุดนี้เรื่องของสังขารร่างกายรักษาโรคลงไปเถอะ มึงนอกมึงนาที่ไหนกูเหมือนเดิมถึงหายแล้วก็ยังอยู่คือภาษาบ้านเราว่าอะไรต า, ตายอุจจาตะใหย่ไปไหนเราก็ไปรักษาเหมือนกั น, นะดีไม่ดีก็เกิดดีดีไม่ดีเกิดก็ไปดีเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมตินะถ้าไม่มีศีลธรรมนะอบายภูมิทั้งสี่เข้าใจหมหรือได้ยินเ้าพูดได้ยินพระพูดที่เฉยก็ไม่เข้าถึงใจเราไปขาดใจเดียวไม่มีอะไรมากนะ เรื่องของปูดท้องโรคเท่าไรไม่สิ้นสุดเราเราใครสิ้นสุดน้าคือเอามาดูทาคําสั่งสอนของพอระพุทธเจ้ามีขวดเราขาดอย่างเดียวคือขาดการดูลมขาดูสวรรค์ถ้ามีดูลมเข้าออกเป็นสมาธิเราก็เกิดปัญญานั่นความรับรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาโรคกวิถูรูปแก้งโลกก็คือปัญญารูปแก้งโรกไม่ใช่แสงทูกแสงเตียนไม่ใช่แสงไฟฟ้าแสงดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาพันดวงสองไม่เห็นตัวอันนิพพานแสงตาเรา เกิดมาอีกพ i mean right? ันดวงสองม่เห็นเป็นอนิพานต้องใช้แสงปัญญาปัญญามาจากไหนปัญญามาจากสมาธิทำง่ายไหมพระเจ้าสอนพระเจ้าสอนไม่ง่ายแต่ทํำไมทวยเจ้าจึงบอกว่าทำที่เราแตถาคได้แต่ตรูยากที่สามัชนนะคนธรรมดาจะทำได้ต้องเหนือจากคนธรรมดาใช่ไหมต้องเพรานั้นเราต้องพิถีพิถันดิพิถีพิถันคนป่วย สรบุญกุศลทดมนุษย์พระมันเป็นทานศีลภาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่ น, นี่เถอดถ้าหากเราไม่ไรีบทํำก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เข้าใจไหมระเสียทีแหละถ้าเราไม่ทําจุดนี้มันไม่ได้ซื้อก็อมันดังในหัวใจนะจใจของคุณเจ้าไม่ได้ซื้อไม่เหมือนอาหารกายเห็นไหมบางคนทำตั้งแต่เมื่อวาน ไม่ตุกให่ยากไว้ตอนนั้นคนเราชอบยุ่งเอาของยุ่งๆว่าไปทําบุญไปทํา <c oughs> บุญไป่ต้อมุนไปกาพวกนมมือก็เอาดอกมือเป็นดอกบัวกาแดอาากกาลคํามนาตาารเลยนะพูดตังให้ออกวาจาอะไรลึกในใจไม่นาตา ก, การนี่ยพูดตังแต่มันสร้างการไอปุยา ม, า ะ, มะหลังสมาธิตสุตติปนุนโมแล้วก็นั่งดูลไหาใจก็ได้ก็กลับบ้านดีกว่าไปยุ่งกับพระ มันขั้นในวันใหญ่ๆมิชอะไปยุ่งกับพระนะแทนที่พระจะได้เลียขบเลียฉันได้เข้าธรรมทิฏฐิเริ่เนตตาภาวนาก็โยมยุ่งนู่นยุ่งนี้พูดแต่เรื่องโลกโลกเรทุกข์ยากมีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้เอากันอยู่นั่นฉันมีปัญหาเรื่องสร้างแปลงขาขายเรื่องอะไรก็ได้เรื่องของโลกยุ่งเป็นเรื่องของโลกโอ้จ้ะเห็นในเรื่องของธรรมเมื่อกี้หนึ่งนาทีสบายไหมตาเห็นคนสบายถึงแล้วทาไมไม่ทํา ไม่จะทําไม่ได้วันหนึ่งหนึ่งครั้งวันหนึ่งหนึ่งนาทีถา ม, ามถามถามหัวใจเราไม่ต้องไปถามคนอื่นเรางั้นงั้นก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันตอบคนอื่นเขาไม่เคยรู้เขาเคยดูต้องถามใจเราเราทำไมเราถึงทาไม่ได้ดูใจอาหารใจไม่ได้ซื้อเลี้ยงใจแต่งใจรักษาใจสักฟอกใจให้ใสสะอาดด้วยลมหายใจเขาออ้าแม่นั่นใจคนมันสกปรกสกปรกไปด้วยรักรลกเรืเ่องเตือนในปัจจุบันอย่างดูนรก ก็เห็นสวรรค์เจ้าก่อนสวรรค์นในอกนรกในใจใช่ ไ, ไหมบุญเจ้าไม่ได้บอกว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าอากาศนี่นรกไม่ใช่อยู่ใต้ดินตรงไหนนะไม่ได้ไปขุดหาขุดที่หไว้ใจถ้าทำถึงนี่รู้ทํำบ่อยๆรู้ไปเถอะอยากจะรู้ว่านารกคืออะไรร่ำรวยสวยงามใจของคนหนึ่งนางมักโนลาอยู่ที่ไหนผ้าสีคนตามนางมณโนลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันได้เจออยู่เมือง ภูเงินมโนโคือใจมโนกุฟังกรมะธรรมามโนเสรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เข้าใจไหมหลายคนอยู่ภูเงินเห็นไหมวิ่งรถนานวันไหรอย่างเงี้ยหาอะไรเพราะอะไรเพรอยากรํารวยร่ำรวยมาแล้วเอามาทํำมอมผมขนเล็กปันหนังผมธรรมชาติดีงามของประัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยินดีกับของได้พอใจกับของมีทําไมไปคุ้งไปแตะใหดัดไปแปลงให้เสียเท่าไรเท่าไร เดี๋ยวเขาไปดัดไปเปลีไปเปล่ก็มาถึงผิวหนังแล้วก็ผิวหนังทะลอกเปลาเปิกไปก็หาว่าวการ้านเสริมสวยไม่ดีเสิมจมูกให้ไม่ดีเสริมคิ้วไม่ดีเสิมขนตาไม่ดีเสริมเล็บไม่ดีเสริมฟันให้ไม่ดีวกงลอกกันเกิดโตที่เป็นมะเร็งมนต์เป็นมะเร็งก็เล่าแสหาไม่ใช่หรือน้าตระหนกไหเห็นไรู้กัหลาหน้าตระดเพราะฉะนั้นเราไปดูแก้ไขโลกไม่ได้วิ่งไม่ทันหรอกเรื่องของโลกกี่จะ เห็นไหมข่าวๆมารถไปให้คนขับเข้าไปมันเน่ยเขาปล่อยออกไปกี่คันกี่คันกลับขึ้นมาไม่มีบุกเลยมันหลบเองไม่ยินแต่ข่าวเฉแต่ไปเห็นมาแล้วไม่เห็นเครื่องตรวจสอบคนเอายาขายยาบ้ายาเบื่อยู่ที่ฮ่องกงนะต่อไปของเขาเอ๊ะทำไมไม่มีคนไปไปมามาก็วนไปหาเจ้าของเนละเจ้าของไปตรวจสอบว่ามันได้อะไรหนระือเปล่า เป็นตู้ค้ายๆตู้เย็นของเราเนี่ยมันเคลื่อนตัวเบื่อไปๆๆไป๊กป๊กปิไปโอ้จิบบ้าเป็นอะไรนี่เขาบ อ, อกรถไม่มีคนขับมันไปได้นั่นเรื่องของโลกไม่สิ้นสุดนะอีกไม่นานเขาก็ว่าจะมีคนบินได้แล้วรถติดแล้วก็ขึ้นหอขึ้นอะไรขึ้นไปบินข้ามก็ไปลงที่ไหนก็ได้นั่นรื่องโลกวิ่งไม่ทันตามไม่ทันเพราะฉะนั้นตัดเถอดเป็นอยู่ตรงนั้นโลก นับแต่วันแต่บุ่นลายก็ไปบุ่นวายก็ไปเยีเยมวัดเอาประจงอะไรดูสินับแต่เรารู้จักภาษามานับแต่เกิดมากับทุกวันทุกปีเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีนะยิ่งคนเข้าวัดเขา ว, าวา่ายิ่งที่เกียดที่ข้านก็ไปโดยเฉพ า, าะยิ่งไปดูแต่มันศิลป์ันพระคาําพูดชาวไทยเขาพูดชาวไทยเขาพูดแต่วันพักไม่รู้จักจะไหวเปไงทั้งต้นข้าวหน้าท้าวปลาทุกสิงทุกอย่างไม่ได้ซื้อทุกวันมีแต่ไลยเอาไลยเอาไลายเอามากง่ายไหม พูดถึงของโลกมีแต่เอามอมเมาให้คนมอมเมาลุ่มหลงไปเรื่อยๆๆืัอยเรื่อยบทบรรณอกันนานโอ้ยบรร น, นอกบันนานแต่ไก่อนเดเข้ากรุงเทพกลัวเลยไปไปฏิบาทมาขามขอเดียวกันถึงถังได้ลูกหนึ่งก็มาปัน่นกันคนละเกาะกดกลุ่นลมตามแนวทางของกุญชา น, นี่ไปถึงหมู่บ้านเราไปตั้งแต่ตีห้ วงตีวันซ่อนแต่คาติก็ไปกับกลับมาชึน้นอาบน้ำเหมือ น, นอาบน้ำไม่ได้ขัน ง, ง่ายๆเหมือนทุกวันชุดนีนัง่งชันเลวไม่ต้องไปที่ไหนแล้วคนก็มาส่งกันยเยอะแยะนะพัก ก, บบก็นเลยเกลี่ยไปถึงแตบางวัดไปนัไปบินวัดกาไมเหนื่อยเอาขนมาส่งยเยอะแยะแล้วเอาไม่ไหวแล้วนะฟังดูสิ คำของพรเจ้าวินิจะโลลโกโจนังมิใท่ยามันภาจาบวชมาแล้วต้องบิดบาาเลียงชีพตลอดชีวิตเกิดมีดุเว้นทฉพากธาราภาจะใครได้ควรนักเท่ า, น, าทนั้นละใครได้เกวหรือธาราได้ก็แม่กูบาอาจารย์ไปยังนั่งรถเข็นไปบิดาบ่าอยู่เลยว่าอย่างไรจริงเพราะวัดปฏิบัติของพรเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกไม่สิ้นสุดนะถ้าของพูะเจ้าขอให้ทาได้เกิดไม่มีเกิดแยกเก็บตายไม่มีเลย มีมรรคผลนิพพานไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าเอาไปแล้วยังมีอยู่าาได้ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่ทําคําสั่งสอนของพระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติถ้าเราทําตามคําสอนของพระเจ้าแล้วมรรคผลนิพพานยังอยู่แต่ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่มีเราก็ไม่มีเราก็ไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่ว่้านไงไปตัดสินโดยตนเองะถ้าหากไม่มีผู้ปฏิบัติดีโลกอยู่ไม่ได้เป็นไปจากเดินแล้ว ยังมีผู้ปฏิบัติดีพเด็โลกกับธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นให้พยายามทำทุกข์ยากลบากมีปัญหาเรื่องใดเข้าดูตรหมายใจเข้าออกตัวนี้ที่จะไปแกป้ปัญหายกันทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ถืกคือบุญบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์รยากหรือทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปทางที่ชั่ว เข้าใจไม่ม่ทำทำให้ทำบุญบอกทำบุญหลวงปู่มากบอกก็บอกให้ทำบุญนั่นไม่ใช่บอกให้ขนของมาถวายพระให้ทำบุญมันไม่ได้ซื่อนั่งดูหลวงพ่อบลวงบอกฆ่ากิเลสปัญญาของเราบังคับให้ทำบังคับให้กิเลสทำกิเลกเป็งหนวใจไม่อยากทำแต่ไม่อยากทำไม่ทำทำไมเราอยู่กับลมทำไมไม่ดูเรานะ เพแม่กิเลสฆ่ากิเลสก็คือตัวปัญญาไม่ใช่ไปใช่ดาบไปปืนไปจริงกิเลสมันยังไม่ถูกรองก็เกียเอาตัวใหญ่ๆนะนั่นถนานั่งไม่ได้นะเวลาอาหาร่ะเคยงดเว้นไหมอาหารกายอ่ะมันจะเพราะอาหารนะเครื่องแตงเครื่องเลนเครื่องเพลเครื่องเพลิเครื่องทะเยอทะยานอะไรมีทั้งขาดร่างกายตัวบูดตัวเน่าทําไมไปปรุงไปแต่งไปดัดไปแปรให้มันกิเลสหนาแน่นเข้าไปหนาแน่นเข้าไปถึงทําอะไรไม่ได้ติด รักษาใจอาหารใจทําไมปฏิเสธอาหารกายทําไมไม่ปฏิเสธหิู่เวลาไหนทานทานทานเครื่องประดับประดัอีกไม่รู้กี่อย่างเสื้อผ้าเต็มตู้อยู่ไปลงไปเขาขายเสื้อผ้าซื้อซื้อซื้อเศรษิจีบแย่แย่อะไรก็เศรกิีจีบดีอยู่แล้วเดี๋เล็มันหรูหลามันฟุ่มเฟืย ปะปะพอไปที่ตะวัน่าแก่ข น, นขอนโบราณเคื่อขาวประปะเอาตั้งเก่งข้าวประปะเอานุ่งข้าดไว้เป็นไรไม่เป็นนี่ก็เป็นสุขใจแล้วทุกที่สุดคือคนมีนี่สมัยก่อนนะเพราะอายเขาไม่อยากไปไหนแล้วมทุกวันทุกที่สุดคือยืมไม่ได้แตกต่างกันไหมเพราะฉะนั้นอยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติ ก็ต้องได้จุดบกหลานได้ถึงจน้องก็จะฉพาะบอกว่าบอกเพิ่งฟ้าใสในบ้านนี่ก็ต้องกันบนูกหลานเห็นไหมสวดมนต์เจนี่ก็จังทําไม่ได้ <c oughs> นิดน้อยว่าไปเธอเสียตละเอาบังคับใจของเราไม่อยากให้ทําก็ให้ทําไม่ทําเป็นเนื้อใสอุปัดเนื้อใเป็นวัฒนาเป็นบารมีถ้าถึงเป็นบารมีแล้วไม่ทําไม่ได้มันมีเครื่องรุอนอยู่ในหัวใจมันมีบางเครื่องบังคับอยู่ในตัวแล้วน ส่นมากเราไม่กล้าตังแต่เรื่องแรกไม่เวลาไม่กล้าไม่กล้าก็คนตัวไทยก็มันก็ขัดวันประกันปุ่งเรื่องพรยามานมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นพระยามันว่ายังไงล่ะจากเห็นพรามันก็เข้าทำใบใบตรงดูสิมันจะบอกเลยล่ะยุ่งมีปัญหาฉันไม่มีบุญฉันไม่ได้บวชก็ว่าไปแล้วยังไม่ได้ทําก็โนไปตัดถึงนต้ก่อนแนะโออต้องมีสัจจะคำเดียวพรูเจ้าได้ตัดรูเพราะสัจจานะหาอยู่หกปีนะ มีสุดท้ายที่ผู้เจ้าจะแต่ศัตรูผู้เจ้าไปเสี่ยงถาดเวลาไ ป, ไปไจพระเจ้าหารจากสังตุชดาแล้วจะไวแล้วก็ได้ถาทองคําไปขอถาทองคําจากสังตุชาาว่าเราตามกฎขอถาทองคําเพื่อไปเสี่ยงตายสังตุชาดาก็ไายตึงเดินไปให้เห็นสิ่งดีดีไปเดิมไปเสี่ยงถ้าเราจะได้เป็นผู้เจ้าขอให้ถาดทองคํา ไหลทวนกระแสขึ้นไปถ้าจะไม่ได้เป็นมือเจ้าขอให้ถายทองคำโจนดิ่งลงไปถาา้ายทองคำก็ไหลนะ้ำแรงไหลก็ไหลทวนกระแสนะทวนกระแสโลกถ้าตามใจเรานะน้ำใจของเราให้ทวนกระแสโลกโลกคือยังไงโลกคือปุ่นบายทวนกระแสจากความปุ่นบายเข้าดูลมหายใจออก็ง่ายไหมเนะพราะได้ดัชนีนั้นมันก็ขึ้นจากนั่นก็มาเดินหาที่นะั่ง ว่าจะเอาตรงไหนนาะถ้าเราไม่ได้เป็นกุฎเจ้าเราจะไม่ทุกหนีไปไหนนะพอแม่ครูบาอาจารย์พาเข้าปาเข้าโดนของมือ น, ก, นกับปฏิปทาของกุฎเจ้านะถ้านั่งวันนี้มันไม่หายก็ไม่ลุกจากที่เหมือนกันนะขอตู้มันดูนันหาตู้มแล้วไม่ห่วงอะไรตอนนั้นมะขุนไม่ผ่ า, านอยู่เลยตายทับสมบัแบของโรคๆอยู่เลยทุกยากลำบักแทบร่มแทบตาย ม, มักสุนิพันธ์ต้องเลยก็ไปอีกนะเลยตายเอาตายพิ้งฝากเป็นฝากตายว่าดดอกฝากช่างปฝาเสือเอ า, าเสือหิ้วก็มาฆ่าเลยช่างมันปวดก็ก็มาฆ่ากันเลยหรอสาคงคันลงที่ไหนถ้าเราทําไม่ได้ขอให้มาหักข้อเลย <c oughs> ป้องกันเพื่อไม่เสียสัจจานไม่งั้นมันจะทำลายสัจจานี่พระเจ้าไม่ยอมเสียสัจจานเสียสัจจานนี่เสียชีวิตดีกว่าพูดยังไงต้องทําอย่างนั้น นั่นแหละความรับไม่มีในโลกก็ไปปิดบังตัวเองไม่ได้ในฐานะเราจะมีชีวิตอยู่ให้มีสัจจะว่าเราจะก่อนนอนเราจะต้องนั่งสมาธิหนึ่งนาทีคำของปูภาษาโบราณว่ า, าไหนมานอนนังวนควยนอนคุบเขาามาจากควยพวกกับเบื้อนอนไม่ใช่ลงตึงลงมันนอนคุบเข่าลงซะก่อนมาค่อยนอน เพื่อนอนกุเขาหมามันเนาะทีนอนมันร้อนแต่ก่อนนี่ตะโมล้านเวทัณฑ์เด็ขดขวดๆไปกวดมน้าตะวันไปตวันหาร้อกร่งก็มค่อยนอนนงคนนอ น, น, อนาบพราะกาเพาไหวจิไร่ก็สัดบ้างอันนันเอาแบบภาษานยาบๆก็ไปคนนอนเพกาะกาเพไหวจีไายก็หมาเป็นหลังแบบมือตกใหม่ดูมือเพียงแต่เห็ดก็ได้กินจะบ้าเรียนไผ่เรีนโบกเรีนนั่นนี่นนก็เรีนได้ ผู้เจ้าสอนให้เอามีมือแล้วก็กราบไหว้มันง่ายการปฏิหัธรรมแต่เรื่องของพยามานป้องกันเราไม่กลัวเราจะไม่ได้ตกนรกเขาอจะเอาเป็นที่ข่าให้ใช่ที่นี้ให้ใช่ที่นี้ใช่ให้เกิดแต่เจ็บตายเกิดแต่เจ็บตายให้เกิดแต่เจ็บตในโลกมันถุกอยู่แต่มันไม่แน่นอนพบนี้ชัดนี่ถูกพบหน้าชัดหน้าไม่แน่นอนแต่โดยเฉพาะถ้าหากไม่เจอคําสอนของผู้เจ้านําบากมาก น, นั่นทุกที่ตุกหาที่เกิดแต่ก็เกิดกับลูกกับหลานเกิดมาได้เขาขี้เกียจเลี้ยงนั่นถ้าเอาธรรมะมาแปลนะคนไทยของเราเห็นแต่ตัวคนจากมาเกิดก็มาเกิดด้วยไม่ได้นั่นไม่ปล่อยเป็นธรรมชาติคําของหลวงปู่จะเป็นพิษเทนังไก่มันมีลูกกับตัวคือว่ามีเราเขาทํำไ้ไก่มันเลี้ยงลูกได้อันนี้ยังคนแท้ๆไปมาก็ไม่มีคนไทยแล้ว <g ül> คนอะไรก็ไม่รู้แล้วหมดไปหมดไปนั่นถ้าพูดได้าเห็นแต่ตัวนะอ <c oughs> ังประเทศเขาก็ไม่ทํำแล้วอินเดียหรือที่ไหนเขาไม่ทํำลปล่อยให้ธรรมาชาติเกิดมาเท่าไหร่เท่ไหรอย่างลาลาเวยัยงนี่ก็ยังขาดประชาชนคนในระเทศลูกเยอะได้เงินเย อ, <c oughs> อะน่ะะพูดทั้งโลกไม่ใช่สู่เราเข้ามาสู่ทำดีกว่าให้พยายามเน้ น, นผ้าปฏิบัติทําสมาธิเน้นจุดนี้ ะจะได้มีสมาธิจะได้มีปัญญามีความรอบรู้ตรวจตรวจนี่นี่พระสงฆ์มีกี่รูปประเทศไทยไม่สอนให้โยทําบุญผลกระถ่ายก็หลงไปด้วยกันไม่ใช่ของเล่นนะการทําบุญจึงด้ย่าวัดราคาพระเจ้าพระสงฆ์ได้หลายลรูปเวลาไปทุมกันไม่ต้องไปเที่ยวเกงเราขออย่างเดียวคือพาญาติโยมทําบุญบอกให้โยมรู้ว่าทําบุญกับทําทานมันแตกต่างกันกอย่าไปพูดว่าทําทานไปทําบุญไปวัดทําบุญทําทานทําบุญได้บาทําบุญได้บาต แต่บุญไนมะ่ค่อยทำม้ตรไปนะอาจะเรื่องให้พระยุ่งให้พระเสียทุดองเขาวัดบางวัดงานยหญ่ๆข่วยเดียวไม่รู้อะไรตัวอะไรอู้หาที่วางของอะไรเต็มไปหมดเลยไม่กระเสริมกี่เหรียไม่ได้ช่วยพระสงฆ์ถากกี่เลยเลยก็จนะ ะ, ะนั้นรีบเร่งทำเอานะี้ชีวิตของเรามันสั้นเข้าไปมันสั้นเข้าไปวันเวลาจินไปจิ้นไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันเวลา ห ม, หมดไปหมดไปอายุของเราสั้นต่อไปสั้นเข้าไปแล้ววันนี้เราทําอะไรอยู่วันนี้เราได้ถูกดูใจหรือยังแต่งใจหรือยังซักปลอกใจหรือยังให้อาหารใจหรือยังต้องเตือนตอนเองตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนคนอื่นเตือนให้เกิดไปพอใจต้องเตือนตอนเองอัตติอัตโนธาโถตนนั่นแหละวิถีพึ่งของตอนนั่นเตือนตนเองกูพี่ใครจะไปเตือนให้มีพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าอยู่ ด้วยจิตใจเไนจสสทาไมพระพุทธเจ้าไม่เตือนสัตว์โลกให้ทาบังคับให้สัตว์โลกทาให้ใต้ตัดรูทุกคนทุกคนเรามันเป็นเรื่องของตนเองนั่นแหละก็ตาหิอัคนนโนนะโถสรุแล้วตนนั่นเองเป็นสิ่งของตนตนเตือนตอ น, ต น, ต น, ต น, ตนไม่ได้ใครเล่าเตือนเตือนหน้านุตนไดงมือหลานได้ติีน้องได้เสืลละมาตรวจนททานนักสมาธิเจริญเมตตาภาวนาทาบุญ บุญุศลบุญุศลรได้อย่างนี้ส่งทุกขขอผหพอได้ได้ที่แบบได้ที่เป็นโยมกันเพื่อปกป้องผู้หลงพ่าคนละดวงยิหวันได้สิี่น้องต้องมคมถุกคงเจริกายถกใจปตจา at ทุกข์สพวกคอยัฒนาที่เหมือนอะไรแต่งสเร็จตรงสาเร็จโดยจะพาะใ้หลักคาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตง้ากันตั้งหัตั้งใจตามทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล ก็มีรวมจิตรวมใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิภารในปัจจุบันในชาตินี้เถิดอืมสาธ <c oughs> ุอ๋ออะพจน์ <c oughs> อะพโนโาะวินิโมตโสุสาปะสนตั ดาดเมธาเวสุขันโตอจิคันสติอายุธาตราวะพราวานังสุขันจะปฏิมาณโดธีระยูยาสวาโมติยาถายาทุปปัจชะติเาวะตูสาปมังคารังราคันตูสาปฏเทวตา สัพพุทธานุภาเวนัสาโสติภวันตุเตพระวตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสาโสติภวันตุเตวตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเทวตาส สังฆานุภาเวนสัดาโส